โอการหลวงพ่อทองสุขพระอาจารย์ยุกิพระอาจารย์ทรงสิลพระอาจารย์วัฒ น, นชัยแล้วก็ขอการเพื่ อ, อทรใมิทุกท่านเจริญในธรรมแม่ชีแล้วก็ญาติธรรมทุกคนเมื่อกี้เราก็ได้สวดบทธรรมปาหังเป็นบทที่มีความไพเราะนะทั้งภาษาแล้วก็อัตตะ ก็คือความหมายลึกซึง้งทำให้เราเห็นนะว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่มีสติปัญญาลึกซึ้งมากนะสั่งสอนพวกเราครอบคุมทั้งหมดนะพรเจา้าท่านชี้ย้าจุดไหนแต่ท่านก็เรียกว่าครอบคุมทั้งหมดไม่ให้มีเรียกว่าช่องว่างหรือช่องโหว่ จะให้พวกเราเห็นผิดเห็นพลาดไปเลยนะอย่างในตอนท้ายถ้าบอกนะถ้าพวกเรามองเห็นซึ่งประโยชน์แห่งของตนเองก็ตามนะเห็นประโยชน์ในการทำให้ผู้อื่นก็ตามหรือเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ตามนะจงทำความเพียรของเรานะให้ถึงพร้อมทำประโยชน์ของตนก็ดีทำประโยชน์ให้ผู้อื่นก็ดีทำประโยชน์ให้ทั้งสองฝ่ายก็ดี แต่ต้องทำประโยชน์อย่างเรียกว่าให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ตนก็ดีประโยชน์ผู้อื่นก็ดีหรือเป็นประโยชน์ของส่วนรวมหรือทั้งสฝ่ายก็ดีแต่ถ้าทำด้วยความประมาทพระพองค์ก็ยังไม่ได้เรียกว่าก็ไม่รด้สริญนะคือเรายังทำอย่างประมาทอยู่ก็ยังถือว่าผิดทางอยู่ทังนั้นการจะทำประโยชน์ตนหรือประโยชน์ท่านประโยชน์ส่วนรวม ก็ต้องทำอย่างความไม่ประมาทกนะารทำประโยชน์ด้วยความไม่ประมาทก็คืออะไรคือเราจะทำอะไรก็แล้วแต่อาจจะคิดถึงตนประโยชน์ตนเองเพื่อพัฒนาจิตใจเพื่อฝึกหัดนะให้เขาถึงความไม่ทุกข์หรือให้จิตใจมีความมีความสุขมากขึ้นก็ต้องทำด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทคืออะไรคือการที่เราต้องมีสตินะถ้าไม่มีสตินะ เป็นความประมาทนะประมาทในทางไหนนะประมาทในทางที่เรียกว่ารู้ไม่ทันกิเลสที่เกิดขึ้นบางทีนะหลายคนในทางโลกบางทีคิดที่จะหวังพัฒนาตนเองนะนั่นแหละก็ถูกแล้วแต่ยังทำด้วยความไม่ด้วยความประมาทก็คือบางทีทำไปเพราะว่าเอากิเลสเป็นตัวตั้งนะเอาตัณหาเอาความอยากเป็นตัวรอนะ เช่นหลายคนมีความเพียรมีความขยันมีความอดทนนะแต่ทําเพราะว่าหวังหวังชื่อเสียงเกียรติยศดาบสการะนะหวังคําสรรเสริญเยินยอจากคนอื่นซึ่งถ้าในทางโลกถามว่ามีสิ่งนั้นั้นมันดีไหมนะในทางโลกมันก็ดีแต่บางทีถ้าเอาจุดตรงนั้นเป็นเป้เปาหมายนะเป็นเป้าหมายในชีวิต ชีวิตก็เรียกว่าประมาทพลาดพังไปได้นะเพราะา เ, อาเอาเอาสิ่งภายนอกมาเป็นตัวกําหนดนะเอาสิ่งภายนอกมาเป็นตัวเรียกว่ามาทำให้เราลงทิศผิดทางได้มีผู้นำลหลายประเทศนะที่บางทีนั่นแะประมาทนะตอนแรกตั้งใจที่จะช่วยเหลือประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าดีอย่างในประเทศ รัเสเซียในสมัยก่อนที่ปกครองแบบสังคมนิยมนะเลนินก็ดีนะสตาสตาดินก็ดีนะเป็นผู้ที่เรียกว่าตอนแรกก็มีจิตใจที่ที่ดีนะที่จะให้เรียกว่าประเทศของตรเองพัฒนาในทางที่เรียกว่าให้คนทุกคนเสมอภาคกันไม่มีชนชั้นวรรณะนะนะหรือแม้แต่ประเทศใกล้เคียงเราพรพศเนี่ยนะ ที่เป็นผู้ที่สังหารเป็นกลุ่มเขมรแดงที่สังหารคนเขมรตายไปกว่า1ิบล้านคนเขาบอกแต่ก่อนนี่ก็เป็นคนที่น่ารักมากเป็นคนที่เรียกว่ามีคนอยากเข้าใกล้มีคนที่เรียกว่าชื่นชมมากแต่พอบนันทีหลงซึ่งอำนาจที่ตัวเองมีนะหลงอำนาจที่ตัวเองมีกลัวเขาจะมาเลยขาเก้าอี้ตัวเองนะกลัวว่าอานาจจะหายไปความสุข ความดีที่เคยมีนะมันก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะทั้งๆ ท, ที่ใจตัวเองคิดว่าจะทําให้ตนเองเนี่ยเป็นฮีโร่ก็ดีหรือว่าทําให้ประเทศชาติตัวเองมันมีความเรียกว่ามีความสงบสุขมีความเสมอภาคนะมีความเรียกว่าฟองดองกันแต่ทําไปทํามากับยิ่งแย่กว่าเ ก, ก่าก็มีเพราะอะไรเพราะว่าทําไปแล้วลืมตัวเองนะทําไปนะลืมห่วงแหนซึ่งอํานาจตัวเอง หวงแหนซึ่งสิ่งที่ตัวเองเคยมีจนลืมว่าอ้อกิเลสมันมาเยือนใจของเราตอนไหนก็ไม่รู้นะเยือนใจแล้วก็คิดว่าไม่เป็นของที่ดีนะก็พยายามปกปัก ร, รักษาเขาไว้นะต่อไปเรื่อยๆบางคนเคยมีชื่อเสียงกิติยศ<ๆ>เคยมีลาภส ก, การะนะหรือมีคนสรรเสริญเยินยอหรือเคยมีฐานะเพิ่มเติมมากขึ้น เมื่อสูญเสียสิ่งเหล่า น, นั้นไปบางทีจิตใจมันรับไม่ได้เคยเคยมีพอมาไม่มีละรับไม่ได้ต่างจากแต่ก่อนที่ไม่เคยมีชีวิตก็ยังอยู่ได้นะเหมือนกับเศรษฐีนะเศรษฐีใหม่ใหม่บางทีพอได้รวยเป็นเศรษฐีก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเมื่อถึงข่าวเศรษฐกิจตกต่ำนะการงานล้มเหลวนะเงินที่เคยใช้คล่อง ก, ก็กลายเป็นเงินที่ฝืดเคืองไป ก, ก็รู้สึกเสียใจรู้สึกเรียกว่าทำใจไม่ได้ก็มีบางคนถึงขนาดฆ่าตัวตายก็มีเยอะแยะนะในข่าวที่พวกเราเห็นหรือบางคนเคยเรียนหนังสือดีๆเรียนเก่งๆนะในระดับโรงเรียนของตัวเองพอเรียนสูงขึ้นไปไปรวมหัวกับกลุ่มหัวกะทิที่เก่งจากที่อื่นๆมาอีกอ้อก็เกิดความเรียกว่าเกิดการแข่งขันสู้เข้าไม่ได้ก็รู้สึก ทอแท้ต่ำใจนะมีอาจารย์คนหนึ่งเขาเคยไปเรียนที่ที่อเมริกาเขาบอกว่าที่มหาวิทยาลัยดังๆในอเมริกาเนี่ยที่รวมหัวกะทิจากไม่ใช่แค่อเมริกาจากทั่วทุกมุมโลกเขาบอกจะมีสถิติคนฆ่าตัวตายปีหนึ่งหลายติบคนนะนักศึกษาที่เรียนเก่งๆนี่แหละนะแต่มีสถิติที่เรียกว่าฆ่าตัวตายกันเยอะเพราะว่าใดทน เรียกว่าทนตัวเองไม่ได้ที่เห็น่ภาพตัวเองเป็นคนที่แพนะ้หรือว่าเป็นคนที่ไม่เก่งอย่างที่ตัวเองคิดไวนะ้เพราะว่าไม่มีตัวเปรียบเทียบนะยนั่นเราเห็นเลยว่าแม้แต่การพัฒนาตัวเองนะถ้าบางทีเราตั้งจุดมุ่งหมายหรือว่าเอาตัวความอยากนะเป็นตัวที่ตั้งมันจะทำให้เราผิดทางเด้เพราะว่าอะไรเพราะเราจะต้องไปคอยแข่งกับคนอื่น ต้องไปคอยรักษาสิ่งภายนอกที่คนอื่นเขาเรียกว่าเ้าให้เราไม่ต้องไปสงสัยหรอกว่ามันให้ด้วยความจริงใจหรือไม่จริงใจนะแต่เมื่อมันมีมาแล้วถ้าเรารู้ไม่เท่าทันมันก็จะหลงไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นการจะทําประโยชน์ตนก็ต้องทําอย่างที่เรียกว่าไม่ให้กิเลสตัณหาไม่มาครอบงําจิตใจเราต้องรู้ว่าเราทําประโยชน์ตนเราฝึกหัดจิตใจไม่ใช่หวังลาบสักการะสันเสริญเยนยอ พระพุทธองค์ท่านตัดถึงขนาดว่าพรหมปัญจานี้เราประพฤติไม่ใช่เพื่อสักการะสรนเสริญเยนยอไม่ใช่เป็นเพื่อเป็นเจ้าลัทธิหรือแก่ลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือนะแต่พรหมจัญญานี้เราประพฤติเพื่อความประหานะคือความระนะเพื่อวิราคะคือความใคร่กำหนัดเพื่อนิโรธคือความหลุดพ้นนะ พระเจ้าท่านตัดไวพรมจันทร์ที่เราประพืชเนี่ยไม่ใช่เพื่อสิ่งภายนอกแต่เป็นเพื่ อ, อความละ ก, กิเลสเพื่อความทุกข์เท่านั้นดังนั้นการประพืชพรมจันทร์ของเราก็เป็นไปเพื่อความทุกข์นเองเพื่อละ ก, กิเลสนเองเราตั้งเป้าหมายในชีวิตเราตัวอ๋อสิ่งต่างๆภายนอกที่มันมีเข้ามาเป็นเพียงแค่สมมติที่เกิดขึ้นเท่านั้นแต่เราประพืเพื่อละ ก, กิเลส กิเลสเกิดขึ้นนะตัวไหนก็ละเมันตัวนั้นนะตัณหาความอยากนะเกิดขึ้นนะมันก็ละทันทีได้เช่นเดียวกันถ้าเรารู้เท่าทันกิเลสก็จะละตัณหาได้นะ น, น่นเราก็ทำตรงนี้หรือเราเห็นว่ามันเป็นเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นประโยชน์ส่วนรวมนะเพื่อดำรงช่วยเหลือพุทธศาสนาเพื่อรักษาธรรมะให้กับโลกนี้ยืนยาวไปขึ้นก็ดีเช่นเดียวกัน บางทีเราคิดว่าบางทีเรามาบวชก็ดีเรามาอยู่วัดก็ดีเรามาหวังพึ่งนะหวังพึ่งวัดก็ดีหวังพึ่งหลวงพ่อก็ดีหวังพึ่งพระสงฆ์ก็ดีนะบางทีเราคิดว่าเราจะมาหวังพึ่งนะขอให้พระพุทธพระธรรมเป็นที่พึ่งนะบางทีเราไม่ใช่คิดแค่จะเป็นที่พึ่งนะแต่เราบางทีเป็นที่เกาะเกี่ยวเป็นที่ที่ว่าหวังว่าท่านจะช่วยยกระดับจิตใจของเรา บางทีเราก็หวังที่จะพึ่งคนอื่นมากเกินไปนะมันก็ไม่ดีการปฏิบัติธรรมมันต้องเรียกว่าพึ่งตนเองให้มากๆนะพยายามพึ่งตนเองเพระพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วพระธรรมก็มีอยู่แล้วพระสงฆ์ก็เป็นแบบอย่างหรือเทศนาสั่งสอนอยู่แล้วเราก็เอาแค่นั้นแหละแล้วก็มาปฏิบัติต่อให้มันเกิดผลเพราะศนาะ ส, สนานี้นะไม่มีใครช่วยเราได้หรอกนอกจากตัวของเราเอง ช่วยได้เพียงแค่บอกแค่สอนเป็นตัวอย่างเป็นการอนามิตรนะแต่กิเลสตัณหาณนะ์มันเกิดขึ้นที่จิตของเราเองนะกิเลสตัณหาเกิดขึ้นที่จิตของเราเองเราต้องรู้เท่าทันที่จิตของเราเองมันถึงจะละนะกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นกับจิตของเราได้นะไม่มีใครมาช่วยละเราได้นะอาจจะช่วยแนะนําบอกสอนได้เท่านั้นดังนั้นนะเราต้องรู้เท่าทันตัวเองนี่แหละ <c oughs> <c oughs> เป็นสิ่งที่สําคัญมาก เมื่อรู้เท่าทันตัวเองแล้วมันก็จะรั ก, กิเลสตันหาตัวเองได้นะมันก็จะสามารถเป็นที่พึ่งนะบอกต่อแนะนําสั่งสอนคนอื่นได้นะพุทธศาสนาก็อยู่สืบทอดกันไปเพราะว่าแต่ละคนพยายามที่จะฝึกหัดจิตใจตัวเองนี่แหละให้เข้าถึงความไม่ทุกข์แล้วก็บอกต่อแนะนําหรือว่าสั่งสอนดำรงพุทธศาสนาไว้ให้สืบทอดต่อไปแก่คนรุ่นหลังนะีเราก็กระทําตรงนี้แหละ ดังนั้นการทําประโยชน์ตนก็ดีทําประโยชน์ผู้อื่นก็ดีทําประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ดีต้องทําด้วยความไม่ประมาทต้องมีสติในการกระทําทั้งนั้นประโยชน์ต่อวัดก็ดีประโยชน์ต่อตัวเองก็ดีประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ดีต้องทําด้วยความไม่ประมาทถ้าเราทํำประโยชน์ต่างต่านั้นหรือทําการกระทําอะไรต่างๆทําด้วยความประมาทนะชีวิตของเราก็เรียกว่าก็ลงทิศผิดทางได้ แต่ถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่ทำอย่างความมีสตินะชีวิตนั้นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าสามารถนะยกระดับจิตใจตัวเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นประโยชน์ที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะหลายคนนะถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังประวัติครูบาอาจารย์อย่างในประเทศจีนก็ดีนะบางทีบางคนหาบน้าฝาพื้นหรือว่าทำกับข้าว ก็สามารถบรรลุธรรมได้เพราะว่าเขาทำแบบไหนทำด้วยความมีสตินะฝ่าพื้นก็รู้ทากับข้าวก็รู้ตักน้าก็รู้ตัวเห็นกายเห็นใจตัวเองทางานอยู่ก็สามารถเข้าถึงธรรมะได้แต่บางคนนะก็ทำครัวทั้งวันทั้งคืนก็อาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะว่าดเพราะหลงตัวเองก็มีหรือการปฏิบัติธรรมในรูปแบบก็เช่นเดียวกัน บางคนก็สามารถบรรลุธรรมในการกระทาในรูปแบบนะบางคนก็อาจจะไม่ได้ธรรมะก็มีนะมันไม่ใช่ที่กิิยาภายนอกแต่เป็นกิิยาที่ภายในที่ทาอย่างไรแล้วรู้ทันกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็ละกิเลสตัณหาตัว น, นั้นได้นะมันก็สามารถได้ว่าเข้าถึงความไม่ทุกข์ได้ดังนั้นการกระทำนะปฏิบัติธรรมนจะนะึงเป็นเรื่องที่ ท, ท้าทายนะ ทายแล้วก็สนุกสนานนะสนุกสนานในการทํากิจต่างๆให้ถือว่ากิจภายนอกนะมันเป็นเรื่องหนึ่งแต่กิจที่สำคัญที่สุดคือกิจภายในใจของเราเนี่แหละนะภายนอกเป็นกิิยาอาการเฉยๆนะเดินบิณฑบาต ท, ทำบทัดสวดมนต์นะหรือทำงานต่างๆมันเป็นแค่กิิยาภายนอกเท่านั้นลบางคนพวกเราก็ทาเช่นเดียวกัน แต่กิริยาไปในใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดทำไปรู้ตัวไม่ทำไปหลงไหมนะทำไปละกิเลสตัณหาได้ไหมเนี่ยเราต้องคอยกลับมาดูตัวเองบ่อยๆตรงนี้บางทีอูบาอาจารย์ไม่สามารถเรียกว่ามาชี้มาบอกมาเตือนเราได้ตลอดเราต้องเป็นผู้ที่เฉลียาดในการที่จะเตือนตนนะนะถ้าใครเตือนตนเองได้ตนนั้นแหละจะพ้นจากบวก่วงแห่งมารได้ ต้องคอยดูตนต้องคอยเตือนตนต้องคอยละกิเลสที่เกิดขึ้นให้ได้บ่อยๆตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากวันหนึ่งวันหนึ่งนะมันผ่านไปรวดเร็วมากนะถ้าเรานะีใช้ชีวิตด้วยความประมาทนะมันจะมันจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรนะีอย่างพรรษานี้ก็ล่วงไปเดือนกว่ า, วาแล้วนะมันก็เร็วมากนะยังเหลืออีกไม่มากนะัก นะแต่บางทีเราก็อย่าไปคิดว่าเราจะอยู่ครบพรรษาก็ได้นะบางทีตายวันตาพุ่งก็มีนะชีวิตมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะถ้าเราเห็นว่าอ้ความบางทีชีวิตก็ยังเป็นของที่ไม่แน่นอนเราจะไปรอผัดวันประกันพุ่งที่จะทำสิ่งต่างๆที่มันดีในวันพุ่งนี้หรือในอนาคตนะมันเป็นเรื่องที่ประมาทต้องทำตอนนี้ทําเดี๋ยวนี้แน่แหละนะ แต่บางทีก็จะไปคิดว่าจะต้องไปทำแบบนั้นแบบนี้มาถึงจะเป็นถึงที่ดีบางทีเราเลือกไม่ได้นะบางทีเราเลือกการงานภายนอกเลือกสิ่งที่มากระทบภายนอกไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทำใจของเราแหละในการอยู่กับสติได้นะบางทีเราเลือกไม่ได้หรอกนะบางคนคิดว่ามาบวชเป็นพระมาบวชเป็นชีมาอยู่วัดแล้วการงานที่เป็นเรื่องท้งโลกมันจะไม่มีหรือว่า มนีน้อยนะแต่มาเจอความเป็นจริงแล้วออมันก็มีเยอะเหมือนกันเนาะมันก็มีเยอะเหมือนกันเคยทำงานหนักมาอยากจะก็มาขอพักบ้างแต่มาเจออ่าสภาพภายในวัดมันก็มีงานส่วนรวมที่ช่วยกันทำหลายๆอย่างออก็ทำใจไม่ได้อก็ไปดังเกียตการงานภายนอกแต่จริงถ้าเรามันเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทาเป็นเรื่องส่วนรวมที่ต้องทา เป็นเรื่องที่หน้าที่ที่คนส่วนรวมต้องช่วยกันเราก็ต้องทําด้วยความเต็มใจทําไม่ใช่แค่เต็มใจเท่านั้นทําด้วยความไม่ประมาทด้วยนะมีความยินดีที่จะช่วยกันมีความไม่ประมาทในการทํางานด้วยถ้าเราทําสิ่งต่ตางๆนี้นะอ๋อเราก็จะเห็นพวกนี้เป็นกิกริยาภายนอกมีให้ทําก็ทําไม่มีให้ทําก็ไม่เป็นไรนะก็อยู่ได้นะหรือบางทีเรามีเรียกว่าโอกาสพิเศษในปฏิบัติธรรมในรูปแบบเต็มที่ แล้วก็ทำทาเต็มที่แต่ไม่ใช่เต็มที่แบบที่ว่าจะหวังว่าจะเอาให้มันถึงที่สุดให้ม่ได้ภายในช่วงเวลานี้เท่านั้นนะคล้ายๆคิดว่าถ้าหมดเวลานี้แล้วก็ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่ใช่ก็ต้องทำด้วยความเรียกว่าทำเต็มที่แต่ก็ทำด้วยความไม่ประมาด้วยก็คือว่าไม่ใช่ไปหวังนะทำด้วยความอยากจะเอาให้ได้เอาให้ถึงนะ ทำไปเฉยๆแค่กิริยาเห็นกิริยาทางกายที่มันเคลื่อนมันไหวมันแสดงตัวตนที่มันเปลี่ยนแปลงไปมาแสดงความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะเห็นกิริยาภายในใจที่มันเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวก็รั ก, เ ด, กรเดี๋ยวก็โกรเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โง่กิเลสพันห้าเนาะตหาร้อย8มันมาแสดงมายามาแสดงละครให้ดูให้เห็นเท่านั้นเนาะก็เห็นมันไป เป็นเพียงแค่มายาเป็นเพียงแค่ละครโรงหนึ่งที่กิเลสปัญหาไม่มาแสดงเท่านั้นนะเหมือนกับโรงละครนะตัวละครนักสแสดงต่างๆผู้เขียนบทนะเข้ามากำกับเข้ามาสแสดงมาให้คนดูให้คนหัวเราะให้คนร้องไห้ให้คนดีใจให้คนเสียใจให้คนเศร้าโศกไปมันเป็นแค่การสแสดงนะแต่จริงโรงละครนะมันว่างเปล่าเท่านั้นนะมันมีแต่เวที แต่ถ้าไม่มีนักสแสดงมันก็ไม่มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นจิตของเราก็เหมือนกับโรงละครนะบางทีนะมันมีกิเลสมาสแสดงนะบทนั้นบทนี้นะเฉยๆเท่านั้นมันมีตันหาเป็นผู้กำกับคอยกำกับให้กิเลสมาสแสดงตันหาคือความอยากนะอยากทั้ง3ทางนั่นแหละนะมันเป็นความอยากคอยกำกับนะให้กิเลสเขาสแสดง ตัวตนในจิตใจเราก็เพียงแค่มีหน้าที่รู้ทันอ้อนักสแสดงเป็นแบบนั้นเนาะผู้กากับเป็นแบบนั้นกิเลสเป็นแบบนี้ในเองตันหาเป็นแบบนี้นเองก็ดูมาทำงานไปแต่จริงมันไม่ใช่ไม่ใช่ใจเราหรอกนะมาเปียเพียบสิ่งต่างๆที่จอนเข้ามาชั่วคราวเท่านั้นเวทีนี้ที่จริงมันว่างเปล่าอยู่แล้วมาสแสดงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนะ จบเรื่องจบราวจบเทปจบปัจจัยมันก็หายไปทุกเรื่องราวจะสุขก็ดีจะทุกข์ก็ดีนะมันก็หายไปเช่นกันแม้แต่เฉยๆแม้แต่กลางๆมันก็หายไปเช่นเดียวกันไม่มีเวทีไหนไม่เลือกรานะเหมือนกับที่เขาบอกไม่มีงานเลี้ยงไหนไม่มีวันเลือกราไม่มีอารมณ์ใดไม่มีการคงอยู่แล้วก็ไม่หายไปนะไม่มีนะทุกอาการทุกอา ทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตนี้ก็เรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ตับไปเช่นเดียวกันนะมีแต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปเหมือนกับลมที่มันพัดผ่านตัวเรานะพัดมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีหรอกพัดแล้วอยู่คงที่นานๆไม่มีหรือแม่น้ำที่มันไหลผ่านนะมันก็ไหลผ่านไปแล้วก็ผ่านไปมีน้ำใหม่ที่มันไหลผ่านเข้ามาใหม่เรื่อยๆ ไม่มีน้ำเก่าที่มันไ ห, หล ย, ย้อนกลับมานะนะถ้าไม่ใช่นะน้ำวนนะนะมันเป็นเรียกว่าวันเวลามันก็ผ่านไปแบบนั้นอารมณ์ที่มันจอนเข้ามามันก็ผ่านไปแบบนั้นเช่นเดียวกันถ้าเรามีสตินะเราจะเห็นิ่งต่างอันนี้ออมันเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรคงทนแน่นอนนะจิตมันก็เกิดความปล่อยวางเกิดอิสระออมันเห็นแล้วว่า จิตที่แท้จริงมันเป็นแบบนี้นะจิตปกติที่แท้จริงเป็นแบบนี้จิตที่มีกิเลสมันจรมาเป็นแบบนี้นี่เองนะอาการมันเกิดขึ้นกับจิตที่จริงมันไม่ใช่จิตนะมันเป็นสิ่งแค่จรเข้ามาชั่วคราวเท่านั้นแต่ความเป็นปกติของจิตมันเป็นแบบนี้มันเห็นได้ว่าความปกติกับความผิดปกติมันเรียกว่ามันดำรงอยู่ต่างกันเช่นไรนะมันเห็นจากการที่เรามีสติเห็นกายแล้วก็เห็นใจ บ่อยๆนี่แหละเบื้องต้นอาจจะต้องเห็นกายให้มันชัดเจนมากขึ้นเพราะอะไรเพราะถ้าเราจะหมั่นหรือว่าคอยสังเกตอาการของจิตถ้าถ้ากำลังสมาธิกำลังสติไม่ตั้งมั่นพอนะมันจะไปหลงกับอาการความคิดความรู้สึกได้ง่ายฉะ <c oughs> นั้นการที่เรารู้สึกกับการเคลื่อนไหวะจะเดินจังกรมจะยกมือสร้างจังหวะจะทาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคอยหมั่นรู้กายที่เคลื่อนไหวบ่อยๆนะ มันจะเพิ่มตัวสมาธิของเราได้เยอะขึ้นนะทั้งสมาธิแต่เป็นสมาธิที่ประกอบด้วยสตินะไม่ใช่สมาธิที่เรียกว่าอยู่กับแค่ความสงบอยู่กับแค่ความสบายนะังนั้นสมาธิมันมี2แบบสมาธิแบบหนึ่งคือแค่ขอให้สงบขอให้สบายขอให้มีความสุขแล้วก็หยุดอยู่กับตรงนั้นนะอันนั้นเนี่ยเป็นอาการของแค่สมถะนะอาการของแค่สมถะก็คือขอพัก กับตัวสมาธิที่นิ่งที่แช่ที่ไม่ขอรู้อะไรเลยนะเหมือนขอเบรกนะขอปิดสวิขคล้ายๆกับตอนนอนหลับนั่นแหละนะขอนอนขอพักนะไม่ได้การไม่ได้งานแต่ถามว่าดีไหมก็ดีในระดับได้พักนะนี่ในระดับที่มีความสุขชั่วคราวก็ดีแต่สมาธิที่ประกอบด้วยสตินะจะเป็นสมาธิที่พร้อมให้เจริญปัญญามันไม่ใช่สมาธิที่เรียกว่าเป็นความสงบ แต่เป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตมันตั้งมั่นจิตใจมันตั้งมั่นควรแก่การงานนะสมาธิจะมีคํำที่เรียกว่าสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นควรแก่การงานการงานของจิตคืออะไรการงานของจิตที่มีสมาธิคือการงานในการตามรู้อารมณ์ตามเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์ในที่นี้คืออะไรอารมณ์ก็คือปัจจุบันธรรมที่มันแสดงความเด่นความชัดนะ จะเป็นกายที่เคลื่อนไหวก็ดีจะเป็นใจนะที่ไหวก็ดีนะอันนั้นคือเรียกว่าอารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ให้จิตมันรับรู้นะอันนี้แหละนะใจที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นมันจะเห็นอารมณ์อันนั้นสมาธินะที่ประกอบด้วยสติมันจะเป็นเช่นนี้สิ่งที่เราฝึกตรงนี้ก็คือตั้งให้จิตมันตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูมีสติเป็นผู้รู้ผู้ดู เห็นอาการของกายเกิดขึ้นเห็นอาการของใจเกิดขึ้นโดยที่สติเป็นเพียงแค่ผู้รู้นะไม่ใช่เข้าไปเป็นผู้เป็นกับอาการต่างๆเห็นเลยว่าออสิ่งที่รู้นะมันผ่านเข้ามาตัวรู้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งมีตัวรู้กับสิ่งที่ถูกรู้นะอยู่ต่ตางหากกันเราดูกายเคลื่อนไหวก็เห็นเลยว่าจิต ีมีสติมันรู้มันดูอยู่ต่างหากกายที่มันเคลื่อนมันไหวมันปวดมันเมื่อยมันสุกมันทุกข์มันอยู่ต่างหากอาการของกายนะมันอยู่ต่างหากนะกายที่จริงก็อยู่ต่างหากนะกายที่เป็นรูปเป็นร่างนะเป็นเป็นท่อนก็เป็นส่วนหนึ่งอาการที่เกิดขึ้นกับกายนะที่มันเกิดขึ้นชั่วคราวกับกายเช่นความหิวความเมื่อยนะ ความปวดเนี่ยมันเกิดขึ้นกับกายเพียงแค่ชั่วคราวเพราะนั้นกายที่จริงที่เป็นรูปเป็นร่างเป็นท่อนเป็นท่าสีนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งอาการที่เกิดขึ้นกับกายก็ส่วนหนึ่งจิตที่มีสติเห็นกายหรือว่าเห็นอาการของกายก็เป็นส่วนหนึ่งนะมันอยู่มันอยู่แยกกันอยู่นะมันเห็นเด่นมันเห็นชัดตรงนี้อยู่หรือจิตก็ดี ที่เป็นปกติก็เป็นส่วนหนึ่งบางค่าวจิตนะก็มีกิเลสเข้ามาจรเข้ามาก็เป็นส่วนหนึ่งนะมันเห็นไหว่าอ๋อจิตที่มีสตินะมันก็เรียกว่าคอยรู้คอยดูมันนะพอรู้แต่ก็ไม่ใช่ประคองตัวรู้ไว้นะไปประคองให้ตัวรู้มันแช่มันนิ่งนะก็จะกลายไปนการไปเพ่งอารมณ์ไว้นะหรือไปเพ่งตัวปกติไว้ ก็ไม่ใช่นะนาการที่มีผู้รู้นะเกิดขึ้นก็ไม่ใช่รู้แล้วจะประคองตัวรู้ไว้ตัวรู้ก็มีธรรมชาติเกิดแล้วก็ดับเช่นเดียวกันเพราะตัวรู้ที่เป็นสตินี้มันก็ยังเป็นเรียกว่าเป็นเป็นธรรมที่เป็นการปรุงแต่งอยู่แต่เป็นการปรุงแต่งฝ่ายบวกปรุงแต่งฝ่ายรู้ปรุงแต่งฝ่ายปัญญานะมันก็ยังมีการเกิดแล้วก็ดับดังนั้นแม้แต่ตัวรู้ ตัวสติตัวนี้ก็ยังบังคับไม่ได้ก็ไม่ต้องบังคับมันมันเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันเกิดมันดับไปก็รู้ว่ามันดับบังคับไม่ได้เช่นเดียวกันกุศลก็ดีอกุศลก็ดีทำที่เป็นกลางๆก็ดีไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปบังคับให้มันเกิดไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปบังคับให้มันดับแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเองเนี่ยเราดูมันไปเลยดูลงไปนะถ้าจิตเรา จิตมันตั้งมั่นดีนะมันจนะเห็นว่าอ๋ออะไรก็บังคับไม่ได้นะมีแต่เหตุมแีแต่ปัจจัยที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบังคับไม่ได้ทุกอย่างเปลี่ยนไปทั้งนั้นไม่มีอะไรคงทนแน่นอนนะมีแต่การเปลี่ยนแปลงนะมีแต่การเรียกว่าไม่คงทนอยู่ในที่เดิมได้เขาแสดงแต่ความทุกข์นะไม่มีอะไรสุขแท้แน่นอนเลยนะนะในตัวที่เราว่ามันเป็นความสุข มันก็มีความทุกข์อยู่ในนั้นแหละทุกข์ที่ไม่สามารถทนอยู่ในอาการเดิมได้นะแต่ในตัวทุกข์ที่จริงนะมันก็มีตัวไม่ทุกข์อยู่ในนั้นเหมือนกันนะในตัวความสุขที่พวกเราคิดว่าเป็นความสุขนะที่จริงมันก็มีความทุกข์อยู่ในนั้นนะแต่จริงในตัวความทุกข์นะมันก็มีความไม่ทุกข์อยู่นะไม่จำเป็นต้องทุกข์ตลอดแต่มันยังมีความไม่ทุกข์อยู่ในนั้นถ้าเรามีสติปัญญาเห็นจริงจออ ความไม่ทุกข์มันมีอยู่ในทุกอาการเลยนะแม้กายแม้ใจมันเป็นทุกข์แต่ความไม่ทุกข์มันก็มีโดยธรรมชาติของมันอยู่นะธรรมชาติที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือธรรมชาติที่ไม่ทุกข์นะธรรมชาติที่เป็นทุกข์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ธรรมชาติที่ไม่ทุกข์นะไม่เปลี่ยนแปลงนะคงทนแน่นอนอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ตัวตนนะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะมันเป็นสิ่งที่คงทนเปลี่ยนไม่คงทนไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นสุขแต่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของใครทั้งนั้นนะไม่มีใครสามารถยิตถือสภาวะตรงนี้เป็นตัวเป็นตนได้แต่สามารถเข้าถึงสภาวะนี้ได้ทุกคนนะม่มีเยะมีในตัวคนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกคนนะคนในสมมติเนี่ยนะนะ แต่ว่าเป็นรูปเป็นนามก็ได้นะสามารถเข้าถึงได้เนี่ยสิ่งต่างๆนะี้เราถ้าเราเห็นอ้อการปฏิบัติธรรมมันเปลี่ยนไปเพื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ในเองเนาะนะเราก็เพียงแค่วางใจให้ถูกนะวางใจให้ถูกแล้วการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนะมันเป็นเรื่องของใจต้องวางใจให้ถูกถ้าเราวางใจถูกนะจะทําการทํางานอะไรจะเกี่ยวข้องกับใครเกี่ยวข้องกับสิ่งไหนมันเป็นเรื่องที่สนุกเป็นเรื่องที่ท้าทายมันท้าทายสติปัญญานะ มันไม่ใช่ว่าอันนี้อันนี้อยากทำอันนี้ไม่อยากทำอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบนะอาจจะมีอาจจะมีโดยธรรมชาติแต่มีแล้วพอรู้ทันมันก็วางอ้อชอบแล้วไม่ชอบแล้วพอใจไม่พอใจละก็รู้แล้วก็วางไม่เอาทั้งสุขไม่เอาทั้งทุกข์ไม่เอาทั้งดีไม่เอาทั้งไม่ดีมันก็วางได้มันจะเห็นว่าอ้อมาสิ่งต่างๆเป็นแค่กิริยาอาการภายนอกไม่ใช่ทาเพราะไม่ใช่ทาเพราะชอบไม่ได้ทาเพราะชัง ก็ทำไปเพียงแค่กิริยาต่างๆเท่านั้นนะก็ดูอาการของกายอาการของใจตัเองเ ป, เป็นงานที่สนุกเป็นงานที่ท้าทายบางทีอาตมาก็ถือว่าบางทีมันคล้ายๆเราก็ดีนะได้เจออารมณ์ต่างๆจากการงานจากผู้คนจากสิ่งต่างๆมาเป็นครูสอนธรรมะของเราทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่าจะเอาถูกเอาผิดเอาเดียวไม่ดีหรอกเอาเป็นเทียงว่าเหมือนคล้ายๆเป็นบททดสอบ บททดสอบธรรมะบททดสอบในการที่จะเรียนรู้กายและใจของเราบททดสอบในการที่จะฝึกหัดในการเรียว่าป่อยวางอารมณ์ป่อยวางการยิดมั่นถือมั่นนะเพราะถ้าไม่มีบททดสอบนะเราก็จะไม่รู้หรอกว่าเราเรียกว่าจะดินสติหรือว่าเราฝึกหัดจิตใจของเราเราปฏิบัติธรรมได้ถึงขั้นไหนแล้วนะบางทีไม่เจออารมณ์กระทบนะมันไม่มันก็สงบมันก็สบายนะ ไม่ค่อยฟุ้งซ่านนะแต่พอเจออารมณ์กระทบแล้วบางคนไม่ไหวแยอ่อยากจะหนีนะากจะอยากจะไม่เจออารมณ์ก็มีนะเราก็ต้องรู้เท่าทานตรงนี้นะแต่บางคนนะก็ต้องเรียกว่าอาศัยทั้งสองแบบมาละใหม่ๆทั้งเจออารมณ์กระทบบ้างทั้งขอปีกตัวเองออกมาจากถึงกระทบบ้างนะเมื่อมีโอกาสก็ทำแบบนี้นบางทีจะไป อาจานเกินไปนะไปสู้กิเลสที่มันตัวใหญ่ๆที่เป็นเรื่องที่หนักเกินไปบางทีก็ผ่านที่จะตนเขาซ้อมจนอ่วมจนน่วมจนทั้งท้อไปก็มีก็ต้องรู้จักฉลาดในการปีกมาบ้างนะปีกมาแล้วไปเจออารมณ์ก็ไม่ใช่ว่าจะปีกหนีเข้าไปเรื่อยๆนะบางคนชอบหนีอารมณ์นะเคยหนีนะในทางโลกมาหนีมาอยู่วัดนะหนีมาอยู่วัดเจอความไม่สงบ ก็จะหนีไปเข้าป่าไปอยู่คนเดียวออกมีแต่เรื่องหนี้นี้นนะที่จริงไ ม, ไม่ใช่หนีผู้คนหรอกนะมันหนีตัวเองมันไม่อยากรู้จักตัวเองมันทนที่จะเห็นตัวเองไม่ดีไม่ได้ดูดีๆนะเป็นเพราะความยึดมั่นในความดีของตัวเองนี่แหละมันเลยทำให้เรานี้อารมณ์เลยนหนีเพราะว่าไม่ชอบกิเลสไม่ชอบความฟุ้งซ่านไม่ชอบอารมณ์ที่มันเกิดขึ้น มันก็เลยหนีอารมณ์เพราะความติดดีของมันนั่นแหละนะทำให้เราต้องหนีอารมณ์ดูดีๆมันมีตัวนี้ไหมนะหรือบางทีบางคนก็คุกคีกับคนอื่นมากเกินไปเพราะอะไรเพราะหลงอารมณ์หงไปยึดอารมณ์สนุกยึดอารมณ์ความเพลินไว้ก็เป็นการเรียกว่าปรุงแต่งเช่นเดียวกันนะอยากให้มันสุขมากๆอยากให้มันเพลินมากๆนะมันก็ทําแบบนั้นเช่นเดียวกัน มันเนื่องด้วยความมีตัวตนของเราเนี่แหละทําให้เราสร้างนะสร้างภพสร้างชาตินะภพชาติไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจที่มันสร้างขึ้นของมันเองนี่แหละนะมันสร้างของมันยังไม่เท่าไหรนะแต่ที่อุปทานที่ไปยึดยึดตัวยึดตนไว้นี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะภพชาติมันเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีอุปทานไปยึดไว้นะภพชาติมันก็ดับมันก็หายไปนะแล้วมีอะไรคงทนแน่นอนหลัก ดังนั้นอุปทานเป็นเรื่องที่สําคัญมากอุปทานคือการยึดมั่นถือมั่นนะในอารมณ์นะว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนของเราเนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าเรามีสตินะมันจะเห็นเห็นด้วยจิตที่เป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นมันจะเกิดจิตที่เป็นอุเบกขาบางทีไม่ใช่อุเบกขาแปลว่าการปล่อยวางนะอุเบกขาที่จริงแปลว่าการวางเฉยนะการวางเฉยกับอารมณ์ ที่มันตั้งมั่นมันจิตจะวางเฉยมันเห็นอารมณ์เห็นอารมณ์แต่ไม่เข้าไปปรุงแต่งไม่เข้าไปถือในอารมณ์นั้นมันเฉยอยู่มันเฉยอยู่มันรู้มันดูอยู่เฉยๆนะเมื่อมันเฉยกับอารมณ์มันก็เกิดการปล่อยวางของมันเองนะที่จริงการปล่อยวางเป็นผลแต่เหตุคือการวางเฉยกับอารมณ์นะเหตุคือมันเฉยมันก็เลยเกิดเป็นการปล่อยวางไม่ถือนะ เหมือนมือของเราอ่ะนะนะถ้ามีอะไรมาเอามาใส่มืออย่างมืออแตมาจับไมโครโฟนนี้มันยังถือมันยังยึดไมโครโฟนไว้นะแต่ถ้าเราเฉยกับอารมณ์ก็ปล่อยไปแค่ น, นั้นนะไมโครโฟนมันก็ตกไปอารมณ์ในจิตก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่ไปยึดไม่ไปถืออะไรไว้มันก็เฉยมันก็ตกนะเหมือนกับหินที่ไปกระทบสัมผัสกับฝาผนังมันก็ตกลงไป จิตที่มีอารมณ์มากระทบแต่มันไม่ไปยึตไม่ถือไว้มันก็ตกมันก็ผ่านไปเช่นเดียวกันนะแต่เราก็เรียกว่าอันนั้นสิ่งภายนอกบางอย่างมันต้องยึดไว้มันต้องจับมันต้องถือแต่กิยาภายในใจนะไม่ยึดไม่ถืออะไรทั้งนั้นไม่ยึดไม่ถือทั้งสิ่งภายนอกไม่ยึดไม่ถือทั้งสิ่งภายในนะไม่ไม่ใช่ว่าบางคนไม่ไปยึดสิ่งภายนอกนะแต่ไปยึดสิ่งภายในนะ ไปยึดสิ่งไปไหนก็ผิดเหมือนกันนะัดังนั้นไม่ยึดไม่ถือทั้งสิ่งภายนอกทั้งสิ่งภายในเพราะว่าเห็นว่าพวกสิ่งทุกอย่างมันว่างเปล่าจากความหมายแห่งตัวตนทั้งนั้นไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขาไม่มีอะไรนะัไม่มีแต่อาการที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเนาะเราพยายามปฏิบัติธรรมตรงนี้นะในการวางจิตวางใจให้ถูกต้องก็จะเห็นนะัว่าการงานต่างๆเนี่ยเป็นครูสอนธรรมะที่ดีมากๆ โต ก, ก็สอนธรรมะกับเราทั้งนั้นแหละนะที่จริงไม่ใช่สอนธรรมะกับเราหรอกมันสอนธรรมะให้จิตมันมีปัญญาจิตให้มันปล่อยวางกับมันเองไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขาทั้งนั้นมันมีแต่เรื่องของกายเรื่องของจิตเรื่องของรูปเรื่องของนามเรื่องของธาตุสี่ขันห้าทั้งนั้นนะก็ต้องมาศึกษาตรงนี้ไว้เนาะการปฏิบัติธรรมก็จะเป็นไปเพื่อเรียกว่าเพื่อความคลากำหนัดเพื่อความนะ ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะเพื่อความดุจพ้นไม่ใช่เป็นไปเพียงเพื่อลาบสักการะสรรเสริญเยินยอหรือว่าเป็นเจ้าลัทธิเป็นเรียกว่าให้คนทั้งหลายมานับถือแต่เราปฏิบัติธรรมไปเพื่อนะวิราคะนะเพื่อปะหานะเพื่อนิโรธะนะให้ถึงความพ้นทุกข์กันเนาะก็ให้พวกเราทุกคนได้ทําความเพียรได้ตั้งใจภาวนาจะในรูปแบบก็ดี นอกรูปแบบก็ดีนะพยายามฝึกหัดจิตใจให้มันเข้าถึงมรรคผลนิพพานให้ได้แล้วก็เป็นกันเองมิตรกันได้เนาะไม่ใช่จะเอาแต่ตัวเองคิดถึงแต่ตัวเองอย่างเดียวบางทีก็จะหมกมุ่นตัวเองเกินไปนะให้ยิ้มแย้มแจ่มใสให้กั น, นนะและกันเห็นเนาะแล้วก็ช่วยกันนะให้ถือว่าพวกเราทุกคนนะ <c oughs> ในวัดนี้นะหรือว่าใครก็แล้วแต่นะที่ ตอนเข้ามาหรือไปเจอที่อื่นก็ให้ถือว่าเป็นกันยายมิตรกันทั้งนั้นนะมีแต่เพื่อนร่วมทุกขเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายร่วมทุกข์กันทั้งนั้นแหละแล้วก็เราก็มีใจที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานเหมือนกันนะชวนกันเดินนะเห็นใครล้มเห็นใครพลาดไปก็ไม่ใช่ไปย้ำไปเหยียบเขานะไปหัวเราะไปดีใจกับเขาเห็นคนล้มเห็นคนหลงมีแต่อื้ มีใจที่จะคิดอยากจะช่วยเหลือมีใจคิดคิดอยากจะเกื้อคุณป่ะล้มนหะยื่นมือเข้าไปช่วยดึงกันขึ้นมาใครท้อก็ปลอบใจเขาไม่ใช่ไปซ้ำกันเลยนะนะพยายามช่วยกันแบบนี้เราช่วยได้นะยิ่งช่วยคนอื่นมากเท่าไหร่นะยิ่งกลับมาส่งผลต่อจิตใจตัวเองมากขึ้นเท่านั้นนะนะแต่ถ้าเราเห็นแก่ตัวมากเท่าไหร่นะแม้จะตั้งใจภาวนาขนาดไหน ก็ไม่จะเดินในธรรมเพราะอะไรมันมันหมกมุ่นกับตัวเองมากเกินไปบางทีการช่วยเหลือคนอื่นการช่วยเหลือตส่วนรวมนะมันย้อนกลับมาช่วยรักกิเลสตัณหาในใจตัวเองขึ้นไปมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าทำาประโยชน์ตนดีๆถูกต้องก็กลับเป็นประโยชน์ของคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันอ้อปฏิวัติทำไปมุ่งเพื่อจะขัดเกลาวจิตใจให้มันสูงขึ้นมันทาได้จริงๆ มันก็ส่งผลให้จิตใจมันสูงขึ้นนะมันก็เป็นประโยชน์ให้สะท้อนกลับไปเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นได้เช่นเดียวกันนะมันก็เรียกว่ามันสิ่งต่างๆเป็นสิ่งแวดล้อมซึ่งกันและกันนะสิ่งแวดล้อมซึ่งกันและกันบางทีไม่ต้องไปบอกไปสอนแค่ทําให้เห็นอ๋อมันก็สามารถเย็นสัมผัสถึงกันได้อันนั้นมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เนาะที่จริงแต่ว่ามหัศจรรย์ก็ได้ เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติก็ได้นะให้พวกเราได้เป็นกันยมิตรกันเนาะเดินทางไปสู่ความไม่ทุกข์ด้วยกันเนา ะ, น ะ, นะก็ขอให้ทุกคนได้เจรเดินในธรรมยิ่ ง, ง, งขึ้นไปนะครบพระ